ประโยคที่ว่าใครจะคิดยังไงก็ช่างรู้สึกอย่างนี้จริงๆแล้วพูดหรือพูดเพื่อพยายามสะกดจิตตัวเองให้คิดอย่างนี้กันแน่มนุษย์ต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลกตรงที่ห่วงภาวงหรือเคร่งเครียดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเป็นพิเศษแล้วก็มีเรื่องให้พูดซุบซิบ เกี่ยวกับหน้าตาตัวตนได้หลากหลายซิีด้วยไม่ว่าจะเป็นส่วนเกินหรือส่วนพร่องทางกายปมเด่นหรือปมด้อยทางตระกูลอัจฉริยภาพหรือความอ่อนหัดนิสัยดีๆหรือนิสัยเสี ย, เ, สยเรื่องหน้าเปิดเผยหรือเรื่องต้องซ่อนเร้นอะไรๆทำให้ห่วงความคิดคนอื่นไปได้ทั้งนั้นลึกๆ ทุกคนอยากให้ใครๆมองตัวเองดีอยากได้ยินว่าใครๆพูดถึงตัวเองในทางดีแต่ขณะเดียวกันก็ขี้เกียจทำอะไรดีๆเพราะทำเรื่องดีๆบางทีมันเหนื่อยหรือบางทีต้องฝืนใจไม่ทำตามที่อยากจะทำหรือบางทีก็กลัวโดนหาว่าสร้างภาพคำว่าใครจะคิดยังไงก็ช่าง กลายเป็นคําปลอบสามัญคนส่วนใหญ่พูดอย่างเนี้ยทั้งที่ใจจริงยังเฝ้าพวงหรือระแวงอยู่ว่าใครจะพูดถึงตนไม่ดีอย่างไรก็ขนาดคิดไม่ดีจริงๆพอโดนด่าว่าทำไมถึงคิดแย่ๆอย่างนี้ยังขัดใจกัดฟันกรอดๆบอกว่าเธอเข้าใจฉันผิดแล้วพอคิดดีแต่โดนเข้าใจผิดจริงๆละ่ะ ยิ่งต้องทรมานใจเอามือกายเน้าผากน้อยไม่หลับขนาดไหนพูดง่ายๆคำว่าใครจะคิดยังไงก็ช่างนั้นคนส่วนใหญ่เอาไว้หลอกตัวเองหรือบอกคนอื่นง่ายๆว่าฉันไม่คิดฉันไม่แคร์แต่ที่แท้คำนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยในเมื่อยังแอบคิดยังแอบทุกข์อยู่ไม่เลิก เพื่อจะให้ปลงจริงรู้สึกไม่แคร์จริงบางทีคุณต้องผ่านด่านหโดหดเช่นนั่งคุยกับตัวเองถามตัวเองซื่อๆว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าคนอื่นมองเรายังไงอยู่เมื่อถามตัวเองเช่นนี้แบบไม่กลั้นใจฝืนคุณจะระลึกได้ถึงบรรดาคำลอยลมแววเข้าหูหรือไม่ก็คำติชมที่นิ่มนวล หรืออีกทีคือคำวิจารณ์แบบขวานผ่าซากที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายช่วงเวลาไม่ใช่เฉพาะจากกลุ่มคนที่ยืนข้างคุณแต่จากกลุ่มคนที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยเมื่อคำต่างๆผ่านเข้ามาในหัวโดยที่คุณไม่ด่วนยินดีรับและไม่ด่วนยินร้ายปฏิเสธคุณจะเริ่มรู้สึกว่ากายนี้ ใจนี้เป็นที่ตั้งของสารพัดมุมมองห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้สายตาของแต่ละคนที่มองเห็นคุณบางทีมาจากจุดยืนคนละฟากฟ้าจึงอาจต่างกันสุดฟ้าสุดดินแต่รวมแล้วก็เหมือนเหมือนกันหมดนั่นคือแต่ละคนมีเหตุผลทางอารมณ์เฉพาะตัว คนหนึ่งตัดสินว่าคุณแสนดีเพราะคุณทำให้เขารู้สึกดีได้อีกคนตัดสินว่าคุณโคตรเลวเพราะคุณทำให้เขารู้สึกแย่ขึ้นมาไม่ว่าจะพยายามอธิบายเป็นคุ้งเป็นแควแค่ไหนในที่สุดทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้จริงๆเหตุผลทางอารมณ์ที่จุดนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญ คือคุณสั่งให้ใครรู้สึกอย่างไรได้ไหมก็ขนาดบังคับให้ตัวเองมีความสุขบังคับให้ตัวเองมองด้านดีของคนอื่นคุณยังทำไม่ได้เลยแล้วคุณมีอำนาจอะไรไปบังคับให้คนอื่นรู้สึกเป็นสุขรู้สึกพอใจอยากคิดถึงแต่ด้านดีของคุณได้ละ่ะพยายามที่จะดีแต่อยากคาดหวังว่าทุกคนจะมองคุณดี เราจะเกิดความรู้สึกดีที่สุด